พระพุทธเจ้าท่นานกระทานุวาดคือสั่งสอนประชาชนพุทธบุริษเพื่อให้มีเวลาปล่อยปล่อยวางงานที่ติดแนบอยูก่ ก, กับใจตลอดเวลางานทางร่างกายและทางวาจาที่พูดออกมาก็เป็นครั้งเป็นคราว งานทางจิตไม่มีเวลาว่างมีความคิดความปรุงความยึดความถืออยู่เป็นประจำที่ทันสอนนั้นทันสอนเพื่อให้มีลาปล่อยวางงานทุกอย่างที่เราทำอยู่ตลอดเวลายอ่อมเหนือเมื่อยล้าเป็นธรรมดาต้องมีการพักผ่อน เดินทางก็มีการพักการทำงานก็มีการพักแต่ความคิดความตุงภายในใจิตใจความยึดถือในสิ่งต่างๆไม่มีเวลาพักนอนก็ทับตัวเองอยู่นั่นยืนเดินก็ทับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนื่อ เดียบ ท, ทั้งสี่มีแต่ภาระทับถมอยู่ตลอดเวลาในวันคืนหนึ่งๆเราจะหาความสุขมาจากที่ไหนย่อมเป็นทุกข์เป็นความลำบากอยู่ภายใน จ, ใจิตใจไม่มีลาภตรวงวางลงได้เลยด้วยเหตุนี้ที่พระพุเทธเจ้าทรงสั่งสอนโลกก็เพื่อจะให้ โปรปล่อยหน้าที่การงานบ้างเป็นการตื่นเวลาเพื่อหาความสงบทางด้านจิตใจอันเป็นการปล่อยวางอารมณ์ไปชั่วระยะหนึ่งยึ่งพอจะมีความสุขเย็นใจบ้างไม่มีใครที่จะเห็นโทษเห็นคุณในเรื่องเหล่านี้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า และไม่มีใครที่จะฉลาดแล้มคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปด้วยเหตุนี้โอวาทคําสั่งสอนที่นํามาสั่งสอนโลกจึงเป็นข่าวาที่แน่นอนแง่ตายใจได้บรรดาสัตว์ผู้ยึดถือหลักคําสั่งสอนนี้ไปประพฤติปฏิบัติย่อมจะกําจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่จิตใจของตนได้ออกมากมาย ตามลำดับแห่งความเพียงพยาแปรถ้าผู้สามารถที่จะกาจัดได้เสียหมดจนไม่มีทุกอันใดปรากฏอยู่ภายในจิตใจเลยนั้นก็ทำได้ไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเพศหญิง เ, งเพศชายนะักบวชหรือฆราวาสเพราะธรรมะเหมาะสมกับการแก้ที่เลดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับ สถานที่การเวลาใดๆทั้งสิ้เนื่องจากว่ากิเลสไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่เวลาเวลาเราคิดให้เป็นกิเลสภายในใจเมื่อไหรก็เป็นขึ้นมาเมื่อ น, นั้นไม่ว่ากลางคืนกลางวันสถานที่ใดๆเป็นกิเลสได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญจิตใจเพื่อจะระงับกับิเลดลงไปอย่างน้อยชั่วครั้งชั่วคราวเรา พอจะทําได้เมื่อไรก็ควรจะก็ควรทําเมื่อนั้นจิตใจถ้ามีแต่ความปวดห่วงอยู่ตลอดเวลาก็หาความสุขไม่ได้วันคืนปีเดือนไม่ใช่สิ่งจะให้ความสุขแก่โลกโดยตรงตลอดสิ่งอาศัยต่างๆมากน้อยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ให้ความสุขแก่โลกโดยตรง นั่นเป็นเพียงปัจจัยเครื่องอาศัยไปในการเป็นการเป็นเวลาเท่านั้นแต่สิ่งที่จะให้ความสุขได้โดยตรงนั้นก็คือการบำเพ็ญจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นด้วยอดด้วยธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่แนบสนิทอยู่กับจิตใจของผู้บำเพ็ญ น, นั้นๆให้มีความสุขความเย็นใจดี โดยสม่ำเสมอเพราะการบำเพ็ญไม่ลดละนี่คือความสุขแท้เพื่อกินถ้าความสุขแท้ผู้นั้นแท้โดยไม่สงสัยแต่การปฏิบัติธรรมเป็นการฝืนคติธรรมดาที่จิเลสชอบชอบเดนทางของของจิเลสเป็นทางที่ราบด่น การคิดจริงหมุนตัวไปได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ทางที่เป็นทางเดินเพื่อระงับดับกิเลสนี้เหมือนกับเป็นทางขุดขัดไม่ราบเรื่อสม่ำเสมอในขั้นเริ่มแรกครูบําเพ็ญจะต้องมีความอดทนต้องมีความาท้าเพียงมีความพยอย่างฝืนกิเลสที่ไม่อยากทําฝืนกิเลส คือความเียดคขานปุ๋ยจิตเดชคือความอ่อนแอปุ๋ยจิตเดชคือความกลัวเป็นนั่นเป็นนกีกลัวไม่มีความสะดวกสบายกายสบายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องคนมายาของกิตเดชทางนั้นมันห้อมล้อมอมาายู่ายในจิตใจจนมองหาใจไม่เจอนี่แต่เรื่องของสิ่งเหล่านี้การจะบําเพ็ญตนจึงต้องอาศัยการฝากตืน พระพุทธเจ้าก็ทรงฝืนมาแล้วฝืนจนไม่มีใครจะเสมอพระพุทธเจา้าความภาคเพียนก็ม่มีไม่มีใครเสมอความอดความทนก็ไม่มีใครเสมอการฝืนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าสิ่งเป็นภัยต่อจิตใจแล้วไม่มีใครจะเสมอพระพุทธเจา้านี่หละคาว่าพุทธังสนังกระถามนี้นั้น เป็นตัวอย่างของเราได้ทุกแง่ทุกมุมทุกกระทงทุกขแขนงที่เราจะน้อมนึกถึงปฏิปทาของท่านก็ได้น้อมนึกถึงความบริสุทธิ์หมดจดของพระพุทธเจ้าก็ไม่ผิดน้อมนึกถึงอะไรเรื่องของพระพุทธเจ้าที่พาดำเนินมานั้นเป็นคติตัวอย่างได้เป็นอย่างดีค้าธรรมที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้เะลึก บูชาอยู่ทุกวันนี้ว่าธรรมังสัญญาณขันธ์นี้เขาออกมาจากการฝูนของพระพุทธเจ้าออกมาจากความภาคเพียรของพระองค์นี่นแหละถ้ามีความฝืนความภาคเพียรใดๆเลยแล้วธรรมก็ปรากฏขึ้นไม่ได้ถ้าสงสาวกอรหัตอรหันมีจํานวนมากน้อยเสียงไก่ล้วนแล้วตั้งแต่อุบัติขึ้นด้วยการฝ่าการฝูนการอดทนการทรมานตนเองทั้งนั้น ไมได้เกิดขึ้นมาอย่างลอยๆนั่งอยู่ก็เกิดนอนอยู่ก็เกิ ด, ดเฉยๆก็เกิดไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่เหมือนกิเลสแม้แต่กิเลสดีเฉยๆมันก็ไม่เกิดต้องทำให้มันเกิดแต่ทำด้วยความพอใจเป็นความเ ค, เคยกินแล้วก็ดีออกไปมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมการบำเพ็ญธรรมก็เหมือนกันเบื้องต้นก็มีการล่มลุกคู่คราง แต่ขั้นดําเนินไปนานๆก็เป็นความเคยชินต่อ น, นื้อใไม่ทําก็ไม่สบายใจอยากจะทําซึ่งผู้เคยว่าพระเคยภาวนาเวลาหลับนอนเคยให้ทานทุกวันหรือเคยรักษาศีลหรือรักษาอุโบโสถศีลเป็นประจําวันุวันพระไม่ได้ทําไม่สบายนี่คือความเคยชินปรากฏขึ้นมาแล้วถ้าได้ทําแล้วรู้สึกสบายเป็นที่อุน่นภานจิตใจ ผิด ก, กันกับคนที่ไม่เคยคนที่ไม่เคยนั้นจะทำอย่างนี้รู้สึกว่าฝืนมากทีเดียวฝืนจนไม่อาจจะทําได้แต่ผู้ที่เคยแล้วไม่ได้ทําอยู่ไม่ได้เนี่ยเรายกตัวอย่างเพียงเท่านี้ทีนี้เมื่อบําเพ็ญทำเฉพาะ อ, อย่างยิ่งการอบรมจิตใจให้เป็นไปเข้าวความสงมบนี้เป็นงานที่สําคัญอยู่มากเพราะมีผมมากผิดกับผลทั้งหลาย กุศลทั้งทั้งวลที่เราทําลงไปด้วยการให้ทานก็ดีการ ร, าารักษาศีลก็ดีแต่รวมลงไปสู่จิตกับภานาแห่งเดียวนั่นเป็นแองใหญ่เป็นธรรมนบใหญ่สําหรับรับกุศลทั้งหลายทั้งปวงและสามารถที่จะรู้ได้ชัดภายในจิตใจของตนทีเดียวเมื่อได้ทำละจิตให้มีความผ่องใสขึ้นโดยลําดับเป็นภาชนะที่เหมาะสมกับธรรมหกุศลทั้งมวลแล้ว กุศลและธรรมทั้งวลจะไหลลงไปสู่จิตใจแห่งเดียวตอนนี้แหละระยะนี้แหละเป็นระยะที่มีความขามักขมื่นภายนจิตใจเพราะฉะนั้นดังที่เราได้ทราบในหนังสือขอพระกรรมาฐานท่านดําเนินยังไงนั่นแหะเมื่อเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่ได้เหตุได้ผลประจักษ์กับจิตใจ เรื่องความเกลียดคค้นความมากง่ายขอยงแต่นี้ค่อยหายไปหายไปหายไปมีแต่ความขายันหมั่นเพียรเพราะเห็นผลประจกักษ์ภ า, ายในจิตใจแล้วมีแต่ความอยากจะเพิ่มภาระกำลังขึ้นเรื่อยเร่อยเพิ่มภาระก็คือทำให้มากขึ้นเพิ่มกำลังก็คือให้มีมีความแข็งแรงมีความภาเพียรหนักแน่นขึ้น โดยลำดับลำดับจนนั่งอยู่ก็เป็นการบำเพ็ญ น, นอนยืนเดินเว้นแก่แต่ขณะที่หลับเท่านั้นนอกนั้นเป็นเวลาที่บำเพ็ญสั่งสมสุน ง, งามความดีสั่งสมความเฉียวฉลาดสลับถอดถอนที่เล็ดโดยลาดับจนกระทั่งมีความสามารถอาจรู้ได้ทุกแง่ทุกมุม บรรดาคลมายาของกิเลสที่เกิดขึ้นกับใจแล้วถอดถอนออกได้โดยพิ่งเฉยไม่มีสิ่งใดเลหลือกลายเป็นความมอสิทิขึ้นมาในสิตดวงนั้นนี่แหละคือผลแห่งการปฏิบัติธรรมศาสนาเ้าพูดอย่างผิวเผินก็คือพระอวาธที่สอนแนวทางไว้พวกเราทั้งหลายได้ดำหนึ่ ผนผลที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่จะประจักษ์ภายจิตใจของผู้ดำเนินถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสสอนไว้แล้ว <c oughs> เราเกิดมาในถ้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการที่เหมาะสมอย่างยิง่งอัตลักษร่างกายจิตใ จ, จก็เป็นภาชนะที่เหมาะสมกับศาสนาธรรมเพราะพระองค์กระทานไว้สําหรับพุทธบริษัทคือชาวมนุษย์เหล่านี้เท่า น, านั้น เทวดาอินทรมสัตว์เดรัจานทั้งหลายพระองค์ไม่ได้ประทานพระโอวาทเอาไวา้ศาสนาจึงไม่มีกับท่านเหล่านั้นมารวมอยู่ที่มนุษย์เราคือมนุษย์เราเป็นศูนย์กลางเป็นที่รวมเราเกิดมาก็เหมาะสมสัตจํานวนมากมายกายคองเขาไม่มีโอกาสจะเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราแต่ทำไมเราจึงเหมาะสมโอกาส ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยและในท้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศในโลกนี้ด้วยนอกจากนั้นเรายังได้มีความเชื่อความน่ำแย้บำเพ็ญตนตามหลักศาสนาธรรมมากน้อยตามกำลังความสามารถของเราอีกด้วยเราจรึงไม่ควรให้วันการเวลาอัตภาพร่างกายจิตใจนีน้ผ่านไปผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์โดยเสียเวลาเวลาไปเปล่า อะไรบา้างเพนเพราะคําว่าบุญนี้ย่อมเป็นที่ผึ่งเป็นที่อบอุ่นเป็นที่หวังเป็นสิ่งที่สนองความต้องการของเราไม่ว่าแต่การไหนมาทั้งปัจจุบันและอนาคตตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าปุญญานิพปรโรกัตสัมมิณติฐาหุนติปานิหนะ่ะคำว่าบุญคือความสุขอันจัดพึงหวังจัดทั้งหลายพึงหวังนั้น ย่อมจะสนองความต้องการให้แก่ศาตร์ผู้บําเพ็จให้แก่ศาสตร์โลกผู้บำเพ็จทั้งปัจจุบันในชาตินี้และอนาคตคือชาต่ตอไปโดยไม่ต้องสงสัยการสร้างบุญจึงเป็นสิ่งที่กอบกุลภารกิใจใหญเพราะเป็นสิ่งที่สนองความต้องการมีบุญมากบุญน้อยก็เหมือนเรามีเงินมากน้อยเป็นความอบอุ่นเวลาจําเป็นอะไรก็เงินนั้น เป็นแก้วสรพัดนึกคิดอะไรได้มาตามความต้องการเพราะเงินเป็นเจ้าอำนา่าทางโลกเขาถือกันอย่างนั้นนี่ทางธรรมความหมายทึงบุญเป็นเจ้าอำน่าวาสนาซึ่งเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองนึกอะไรก็เป็นไปตามใจหวังเพราะเราสร้างไว้แล้วบุญเป็นของเรานึกไม่ได้อย่างไรก็นึกถึงบุญของตัวเองที่สร้างมาไว้แล้วมันก็ต้องได้เป็นธรรมดา แต่ถ้าไม่เคยสร้างอะไรไว้เหลยนั้นนึกเท่าไหร่ก็ไม่ได้สิ่งที่จะได้ก็คือสิ่งที่ไม่นึกไม่อยากพบไม่อยากเห็นเพราะตนได้เคยทำไว้แล้วอย่างนั้นมีเป็นสิ่งสำคัญใครที่อยากจะนึกแล้วไม่สมหวังไม่เคยมใครนึกอะไรต้องการให้สมหวังสิ่งที่นึกก็คือสิ่งที่พึงปรารถนานั่นเอง และอันใดที่จะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนายิ่งกว่าคําว่าบุญคือความสุขกายสุขใจสุขในที่ทุกสฐานตลอดการทุกเมื่อได้แก่บุญเราจรึงควรสั่งสมบุญกุศลไว้ให้เป็นเครื่องประดับจิตใจของเราให้งดงามทั้งพบนี้และพบนั้นนี่เป็นคําของนักปราชญ์ได้แกพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครที่จะเป็นจอมปราชเหนือพระพุทธเจ้า พระโอาวาสนี้เป็นพระโอาวาสของจอมปลกไม่มีกิเลสแน่นิดหนึ่งพอที่จะเป็นเครื่องโกหกหลอกลวงโลกให้สิ้นหวังหรือให้ล่มจมไปไม่เหมือนคําพูดของโลกของสารที่เต็มหัวใจเต็มไปด้วยกิเลสพูดอย่างหนึ่งหลอกลวงไปแบบไหนมีการต้มถึงกันอยู่ในตัวพูดจีคําแล้วมีความโกหกแฝงไปด้วยแต่คําพูดของพระพุทธเจ้ามันเป็นเช่นนั้น ไม่ว่าจะพูดกับผู้ใดหรือทำขั้นใดย่อมเป็นความจริงล้วนๆผู้ดำเนินหรือผู้ปฏิบัติตารย่อมเห็นผลประจักษ์โดยกำหนศาสนาธรรมจริงเยียก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่แน่ใจนอนใจตายใจได้ทานบำเพ็ญตามหลักศาธนาธรรมจึงทำให้เกิดความออุ่นภาณจิตใจแต่พาะอย่างยิ่งจิตตภวนาเราควรจะได้ทา ในท้งเราได้ปล่อยอารมณ์บ้างเป็นบางการก็ยังดีเช่นเราจะกำหนดพุทโธพุทโธพุทโธให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธอย่างเดียวโดยไม่ต้องขาดตรงหมายผลอะไรที่จะเกิดขึ้นนอกจากทำความรู้สึกไว้กับพุทโธเท่านั้นในเวลาภาวนาแล้วจิตใจของเราเมื่อมีสิ่งยึดคือพุทโธเป็นสิ่งที่ยึดของความรู้ได้จใจอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะจะ ตะล่อมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวคือทุกโหนั้นแล้วจะปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาความสุขเราไม่ไปหาที่ไหนไม่มีที่ใดที่จะเป็นความสุขอันศักดิ์สิทวิเศษยิ่งกว่าใจที่ได้รับความสงบเพราะการอบรมความาศักสิทธิวิเศษใดก็ตามในโลกทั้งสามนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะศักด์สิทธิวิเศษยิ่งกว่าใจที่ได้รับการอารมให้ได้รับความสงบเย็นใจ จนกระทั่งมีความสว่างกระจ่างแงส่งขึ้นภาในจิตใจโดยทางปาัญญาและสุดท้ายก็เป็นแก้ววิเศษขึ้นพายใจิตใจดังพระอรหันต์ท่านเป็นกันเราจะบรรลุถึงขั้นสุดยอดแห่งธรรมพ้นจากโอคากันดารทั้งหลายหมดนี่ความวิเศษจากจิตนั้นอยู่ที่ใจเราอย่ามองข้ามใจถ้าหากามองข้ามใจไปเสียใจนี่จะกลายเป็นบ่อย เป็นเครื่องมือของสิ่งต่างๆไปหมดอันนั้นดีอันนี้ดีเห็นว่าอันนั้นดีอันนี้ดีจิตก็บิ่งตามแล้วหาความถูุกความเจริญความสมหวังไม่เจอเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งจะให้สมหวังเป็นสิ่งที่หลอกลวงเป็นสิ่งที่เราพุ่งเพ้อเหินไปตามแล้วก็เป็นความทุกขึ้นมาในลำดับต่อไป่วนการต่อแสวง ผัดทำ ม, มีการเจริญภาวนาเป็นต้นนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้สมหวังความสุขอันนี้ไม่ไม่เหมือนความสุขใดในโลกที่เราเคยผ่านมาคือความสงบของใจใจถ้ายังไม่สงบจะยังหาความสุขไม่เจอภายในใจเมื่อใจได้รับความสงบมากน้อยความสุขจะปรากฏขึ้นอะไรเล่าเป็นสิ่งที่ ก็ควรจิตใจไม่ ร, รับความสงบก็คืออารมณ์ได้แจกความคิดปรุงของใจเองการอบรมจิตใจด้วยจิตภาวนาจึงเป็นการกั่นกรองอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหรือเป็นการปิดกั้นอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่คิดไม่ปรุงไปให้ปรุงแต่คําบริกรรมคือคําภาวนาเท่านั้นคําบริกรรมนี้แงจะเป็นความปรุงก็าตามแต่เป็นความปรุงที่หลังจะระงับดับ อารมณ์ทั้งหลายให้เข้าสู่จุดเดียวคือความสงบจิตเมื่อมีความสงบแล้วย่อมเยืยนย่อมสบายย่อมผ่องใสมากกว่านั้นเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในตัวเองซึ่งเรายังไม่เคยพบที่ไหนเลยแต่พอจิตสงบลงอย่างแน่วแน่เท่านั้นความอัศจรรย์จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราเองตั้งแต่บัดนั้นไปความถือศาสนาก็ดี การกระทำปิติภาวนาก็ดีการให้ทานการรักษาศีลก็ดีไม่ต้องบอกจะวิ่งตามกันมาเลยทีเดียวเพราะหลักใหญ่ได้แต่ผลที่เราปรากฏแล้วภายในจิตของเราคือความสงบความอัศจรรย์ของใจนี่เป็นหลักใหญ่ความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามทุกด้านจะหมุนตัวมาเองเฮ้ยความประเสริจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทรงนี้ นี่แหละเป็นจุดที่สมความมุ่งหมายแท้เป็นความสุขแท้เป็นความสบายแท้เป็นจุดที่สมหวังแท้อยู่ที่ตรงนี้ความสักยิเศตก็อยู่ที่ตรงนี้ความค่อนคลายเรื่องทุกข์ทั้งหลายก็อยู่ที่ตรงนี้ความขึ้นไปแห่งทุกข์ทั้งหลายก็อยู่ที่ตรงนี้วิเศษอาสลักเครื่องก่อควนทั้งหลายก็อยู่ที่ใจแต่ได้อาศัย ความภาคเพียรชำนาญภาษางไปโดยทางสติปัญญาก็หมดขึ้นไปเมื่อสิ่งไม่เป็นสาระสิ่งก่อควรสิ่งที่เป็นค่าสิบของใจหมดไปมากน้อยจิตใจย่อมมีอิสระขึ้นไปโดยลําดับลําดัๆจนกระทั่งถึงความเป็นอิสระอย่างเต็มตัวขึ้นที่ตัวเองความสุกความสมาก็อยู่ที่ใจนี้ทั้งหมดเมื่อถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์แล้วย่อมหมดความอยาก ทำไมถึงหมดความอยากเพราะความอยากนั่นคือความบกพร่องอย่างที่เราหิวข้าวก็คือความอยากนั่นเองมันบกพร่องมันถึงหิวหิวข้าวหิวน้ำหิวหนับหิวนอนหิวอะไรก็ตามคือความบกพร่องเมื่อสมบูรณ์เตมที่แล้วความหิวเหล่านั้นหายไปหมดแล้วคำ ว, ว่าความอยากภายในจิตใจก็คือความบกพร่องของใจยังไม่สมบูรณ์นั่นเอง เมื่อจิตใจได้บําเพ็ญตนถึงขั้นอันสมบูรณ์แล้วความอยากโดยประการทั้งปวงย่อมสิน้นสูญไปไม่มีอะไรเหลือเลยอยากเกิดเป็นอันนั้นอยากจะเกิดเป็นอันนี้หมดไปอยากจะประเกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์ก็หมดไปอยากจะประเกิดเป็นพรหมโลกเป็นพรหมอยู่ที่ขั้นพรหมโลกก็หมดไปแม้ที่สุดอยากไปนิพพานก็หมดไปอยากไปไหนนิพพานอยู่ที่ไหน ความนิพานคืออะไรและอยู่ที่ไหนผู้นั้นรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างภายในใจิตใจคือใจที่บริสุทธิ์รวนล้วนแล้วนั่นแหละเป็นใจที่พอตัวทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องการอะไรทั้งหมดความนินทาก็ผ่านไปความชนะเสริญเข้ามาก็ผ่านไปไม่รับเพราะพอตัวแล้วไม่มีอันไรที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าความพอตัวของใจ ใจเมื่อพอตัวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจริงเข้าไปเกี่ยวขกาะไม่ได้นั่นแหละที่นี่จรงเรียกว่าหมดสิ่งที่ก่อควรแล้วภายในจิตใจใจเป็นอิสระเต็มที่หมดความอยากท่านกล่าวไว้ในหลักธรรมว่าหิขาโตปรปนิโบโตความหิ ว, หวโหยตัวประการต่างๆซึ่งเคยเกิดขึ้นกับใจได้สิ้นสุดลงไปแล้วเป็นใจที่ดับชนิจากค่าศุกทั้งหลายโดยประการทั้งปวง สันไหนั้นเมื่อถึงขนาดแล้วจะไะหานิพานที่ไหนจะอยากไปอะไรไม่อยากนี่หละผลแห่งการประพฤติปฏิบัติถึงขั้นพอตามธรรมนาติใจของเราจะไม่มีความพอคิดอยากนั้นอยากมียาก่ต่อเวลาก้อควรทั้งวันทั้งคืนเดินๆ น, น, นั่งนอนไม่มีอันใดที่จะกว้างขวางใหญ่โตลึลกเชิงมากที่สุดยิ่งกว่าความอยาก เอาอะไรมาใส่ก็จมไปหมดเอาอะไรมาใส่ก็จมไปหมดไม่มีที่จะปรากฏตัวขึ้นมาว่าพอแล้วถึงขอบฝั่งแล้วถึงขอบปากแล้วไม่มี่ความโลภเอาไปกินหมดมันกว้างขนาดนั้นละ่ะมันอยู่ภายในจิตใจใจไม่มีขอบเขตเพราะฉะนั้นความโลภที่สิ้นอยู่ภายในจิตใจจึงไม่มีขอบเขต เอาอะไรให้ไม่มีพอไม่พอไม่พอจนกระทั่งตายปตเปล่าก็ไม่มีความพอเพราะไม่มีพอเสียจะหาความพอมาจากที่ไหนนี่เมื่อชำระสิ่งที่หาความพอไม่ได้ชำระสิ่งที่ก่อควรตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหล่านี้ได้แล้วความพอจึงปรากฏตัวขึ้นมาทีนี้พอหมดอยู่ไหนก็พอเป็นอยู่ก็พอจะตายไปเมื่อไหร่ก็พอ ไม่มีอะไรมากวนใจมีท่านว่าแสนสบัดไม่หาที่ไหนนี่หละความตักทิพย์พิเศษอยู่ที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่นใดเราจะไม่ได้ถึงขั้นนี้ก็ตามขึ้นชื่อว่าความสุขจะมีมากน้อยจะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญคุณ ง, งามความดีของเราให้เป็นที่อบอุ่นให้เป็นที่เย็นใจคนที่มีธรรมะย่อมมีความเย็นใจย่อมมีที่ยับยั้ง เช่นเดียวกับบุคคลที่เดินทางมีเครื่องป้องกันแดดป้องกันฝนป้องกันความร้อนความหนาต่างๆย่อมพอบรรเทาไปได้ให้รับความสะดวกสบายผิดกับคนเชื่อมีอะไรเป็นเครื่องป้องกันเรา <S <S 1> <S 1> คนเราตายแล้วต้องเกิดสัตตายแล้วต้องเกิด อ, อันนี้เป็นสิ่งตายตัวสนอดแต่โลกใครจะลบล้างไม่ได้อคําว่าตาย ตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดตายแล้วหูนอนนี้เป็นความสําคัญของใจที่เป็นไปด้วยความลุ่มหลงหรือความมืดบอดต่างหาไม่ใช่เป็นไปด้วยความจริงถ้าเป็นไปด้วยความจริงก็ดังพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นแล้วทิ้ง้วยจัดออกมาแต่และคำละคาแต่และเรื่องละเรื่องเช่นตายแล้วต้องเกิดเป็นต้อนอะไรผเป็นสาเหตุให้เกิดพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบ ก้อยางเหนียวคืออวิชชาสัญหามันมีอยู่ภายในจิตใจอันนี้แลเป็นเชื้ออันสาคัญที่จะพาให้แตกเกิดในที่ต่างๆในพบต่างๆเมื่อหมดเชื้อแล้วก็เป็นอันว่าหมดปัญหาที่จะให้กกอะติดต่อถือกาเนิดในที่ต่างๆต่อไปทราบถึงขนาดนี้พวกเราไม่ทราบมี่เป็นจัดสำคัญ เราเอาตามเรื่องตามความชอบใจทั้งตนว่าตายแล้วศูนย์ความว่าตายแล้วศูนย์นั่นแหลมันเป็นเครื่องจะส่งเสริมคนให้ทําความชัว่วช้าละมุกได้อย่างไม่มีต่อมานเลยเพราะตายแล้วมันก็ศูนไม่หวังจะได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนไม่มีอะไรเป็นเครื่องสืบต่อที่จะ ร, ะรับผลต่อไปข้างหน้าอยู่ไปจินไปวันหนึ่งจะทําอะไรก็ทําให้สนุกสนานทําให้ความชอบใจตายแล้วก็ศูญนี่เป็นการที่จะสูกเสริมเพิ่มเติ ม, มความไม่ดีทั้งหลาย ให้มีมากมูลยิ่งขึ้นเดี๋ยเวลาตายแล้วมันไม่ได้เป็นประอย่างที่ว่าเออพรนั้นเป็นความสำคัญความสำคัญกับความจริงมันผิดกันเพราะความจริงคือว่าตายแล้วต้องเกิดนัน่นจะเกิดเป็นดีเป็นชั่วขึ้นดูกับกุศลและอกุศลซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของผู้นั้นๆนี่เป็นความริงตายแล้วไม่ถิดต้องเกิด แล้วเมื่อเกิดแล้วเราจะอะไรเป็นที่พึ่งที่อาศัยอยู่ในโลกนี้เรายังต้องมีที่พึ่งที่อาศัยมีบ้านมีเรือนมีทัสมบัตรเงินทองมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีปูงมีปัจจัยต่างๆเป็นเครื่องสนับงเนเงินงให้เราเป็นอยู่แล้วไปโลกไหนไหนก็ต้องาอาศัยเพื่อทีว่าสมมติแล้วอยู่เฉยไม่ได้นอกจากถึงขั้นธนิพานจึงไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนอกจากนั้นแล้วต้องอาศัยด้วยกันทั้ง มากน้อยเป็นต่างกำลังยากละเอียบิึกกันอาหารทิพเป็นท่อนอาหารเราธรรมดาเป็นอย่างอาหารทิพนอาหารทิพนจะได้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากบุญอันเป็นทิพเหมือนกันเพราะบุญนี้เกิดขึ้นจากการกระทาความดีของเราก็กลายเป็นเป็นบุญขึ้นมาเป็นเป็นกุศลทิพหรือเป็นบุญทิพแล้วก็เป็นอาหารทิพน นี่ยหลอยากทำของพระพุทธเจักให้นำบไปพินิจที่เจอหนาต่อที่ปฏิบัติจะให้เกียเรื่อเวลาวันหนึ่งหนึ่งถ้าเราจะให้ไม่ให้ว่างมันไม่ว่างได้ตลอดไปถ้าเราจะให้ว่างมันอยู่กับเราไม่ได้อยู่กับมือวันทีเดือนสถ า, านที่ใดทั้งหมดมันอยู่กับผู้นั้นถ้าจะให้ว่างมันก็ว่างไม่ให้ว่างมันก็ไม่ว่าง เราก็ควรสร้างปัญหาหากว่ามันต้องมีเวลาว่างจริงหรือเปลอ่าถ้าไม่มีว่างจริงมันก็ไม่ควรจะดการได้เพราะไม่มีเวลาว่างจะดายได้แต่นี้ศาสตร์โลกคลายกันเกื่อนรูปไก่ใดนามใดก็ตามถึงการแล้วมันต้องขาดนั่นมันว่างได้ยังไงมันขาดนั้นก็ว่างเวลานั้นแหละเฮ้ยเวลามันจัดการไม่บอกว่ายุ่งว่าอยู่เมื่อไรมันตายมีคนอยู่เวลาเราจะทําคุณงามความดีทําไมก็ไม่ว่างอื แถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทั น, นกลยาทธของทีรมันแยง่งพระจินรวันหนึ่งคืนนึ่ ง, งมัเรื่องของพิรุปัญหาแต่ว่าพระจินร์หมดเรื่องอันเรื่องทําเรื่องบุญกุศลไม่ไม่ได้เลยก็แสดงว่าเราโง่กว่าพิรุตทํางานวิทยาศาสนาดกว่าจินี้ก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยุ่งเหมือนกันโลกก็ยุ่งเหมือนกันท่าสงฆ์ท่านก็ยุ่งเหมือนกันแต่ทําไมท่านปฏิบัติ องค์ท่านเป็นเป็นสาระของโลกได้เราเป็นลูกศิดของท่านเดินตามครูทำไมจะหาเวลาว่างมาได้วันคืนตเดือนเหมือนกันนี้ทําไมวันคืนตีเดือนของเราไม่ว่าวันคืนตีเดือนของท่านว่างนะเป็นเพราะอนะไรท่านก็คนเราก็คนท่านทําไมว่างได้ทําได้เราก็คนทํ า, ท ไ, ม า, ไ, ท ไ, าทไมเราทําไม่ได้ว่างไม่ได้นีอยา่อางเดีอวถางั้นเราก็เสือนะแล้วก็โง่กว่าท่านลูกศิโย์โม้ว่าง แล้วผลัองความโง่มันจะมาไหนมันก็มาหาเรานี่แหละเราต้องการหรือผลที่เกิดที่จะความโง่คือความทุกข์ความทรมานมีแต่ความเดือดร้อนมุ่หวาหาความสุขความสบายไม่ได้เลยโมกข์เท่นั้นเราก็แค่แกลยเวลาที่นหละตายแล้วมันสุขวิสัยที่จะแก้ยแกลยในขณะที่มีชีวิตอยู่ดีกว่าตายแล้วมีมนุษพระปิตลาธรรมอฏิราธรรมไม่ทราบว่าไปโลกไหนมันไม่แน่ เอาให้แน่อนยูย่ภายในจิตใจวันนีจริงๆแล้วมันบอกตัวเองตายแล้วไม่ท่องนิมนมมต์มาพระมาปุตตะโบราณเพราะเราแน่แล้วเราพ้ บ, บุญเป็นพิริยะไม่จำเป็นกับปิตตะอะไรทั้งหมดนันี่คือความแน่ใจเกิดขึ้นจากจาการุปฏิบัติประจักกับใจของผู้บำเพ็ญ น, น, นั้นแหละมันใช่ว่าพู้เราเราเออแต่สิ่งที่ประจักษ์ท่านเรียกว่าฐานยึโิโครู้เอ ง, งเห็นเองมันหาพูทปฏิบัติ ทางด้านจิตใจก า, ารแสดงทางศิลป์ทัาา้งศิลป์และต่างๆรวมทั้งวิถีชีวิตเป็นประโยชน์ที่เป็นสิ่งหนึ่ง